เท่าที่ฟังจับความได้ของของเย็นวันนี้ครับก็จับความได้ว่าไอตัววิญญาณาขันเนี่ยเป็นตัวรับรู้อัจฉยะอนัอนตยภาภายนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอย่างนี้ได้ไหมครับแปลว่าคนที่พิการทางประสาท ร, รับความรู้สึกเช่นตาบอดหรือหูหนวกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาถ้าเขาสนใจศึกษาธรรมะแปลว่าเขาก็จะมีโอกาสที่จะ บรรลุได้เร็วกว่าเพราะว่าไอ้ตัวที่จะเป็นเ อ, อกิเลสมันเข้ามาได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนปกติที่มีครบอไม่จริงหรอไม่จริงหรอคนตาบอดจะแย่เลยคนตาบอดจะแย่เลยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้บรรลุธรรมได้ไมจะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงอแย ว, ว่าที่เสียไปเพราะว่า จิตเป็นประตูใจมันคิดไม่หยุดสําคัญที่สุดคือประตูใจมันคิดไม่หยุด <Concept> นี่เราเราไม่เห็นความคิดนี่เนี่ยประตูนี่เน่ยต่อให้ปิดห้าประตูแต่ประตูใจมันคิดไม่หยุดสิตาบอดหมดหูหนวกหมดจมูกจมูกบอดหมดมันจะบุกบอดไม่ได้นอนเดไม่หาจใจไม่ได้เออจากเส้นประสาทเส้นประสาทจมูกขาดหมดก็แล้วก sure. ันอายใจได้แต่เส้นประสาทขาดหมดไม่รับรู้กลิ่นลิ้นไม่รับรู้รสกายไม่รับรู้สัมผัสมันจะใกล้ตายแล้วมัอง สมมติวันนี้สมมติเราหประตูไม่รับแต่ประตูใจมันคิดไม่หยุดนะประตูใจมันคิดไม่หยุดมันก็เลยไม่สามารถพ้นทุกได้ถ้าเราปิดประตูสิปิดประตูห้าประตูตาปิดประตใจอแล้วไม่รู้ประตูใจอย่างนี้ป้นทุกได้เร็วอืมแต่ถ้าเราไม่รู้จักรู้วิธีรู้ประตูใจเราก็ไม่พ้นทุกได้แต่เราปิดประตูหมดเลยห้าประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูนิ้วประตูกายปิดหมดเลยห้าประตูและเปิดประตูใจไว้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต แล้วคอยรู้อยู่ที่ประตูใจแล้วไม่ติดไปกับมันไม่ไปยามไปดับมันแล้วไม่ไม่หลงไปกับมันไม่ดับมันไม่หลงไปกับมันพ้นทุกเลยเหมือนกับว่าเออ พ, พ, พระพระไบร์ลันเปล่าอ่ะพระปุติละไปเข้าไปหาบุทรเจ้าข้างใต้บุตรเจ้าจะจะเรียกไงพระไบร์ลันเปาทำไมบุตรเจ้าเรียกเราพระไบร์ลันเป่าเจอที่ไรก็เรียกพระไบลันเปล่าพระไบร์ลันเปาเออท่านุตรเจ้าเรียกเร า, า ừ, พระไบร์ลันเปาเออพระปุตติละเนี่ย ท่านจำคำสอนพระเจ้าได้ได้มากจำได้เยอะแล้วก็ชอบสอนคนอื่นแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติอะไรพระเจ้าก็เลยเรียกไงพระใบลานเปล่าพระบร า, านเปล่ า, า, ล า, น, านี่เป็นสามถามพระถามพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ไม่ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกว่าอะไรพระเจ้าเห็นว่ามีแต่พระใบาลานเปล่าถ้าท่านสอนเองก็ไม่ไม่ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้แล้วว่าถ้าใครสอนก็ยังไม่บรรลุ แต่พระเจ้าคงมีอาจารย์อย่างรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนสอนให้บรรลุได้คือคำว่าพระเจ้าไม่สอนก็เลยไม่เหตุนะพระเจ้าคงจะรู้เหตุพวกเราเนี้ยก็คือไม่สอนไม่สอนพวกาะพระเจ้าไม่สอนไปขอไอ้อลาลาุงไหนสอนก็มีใครสอนพระุทธเจ้ายังไม่สอนเลยก็มีใครกล้าสอนจะไปกราบเนนเจ็ดขวบเออ่ออายุน้อยกว่าเนนกีวีเออกีวีแปดขวบเอไปกราบเนนเนนเนี่ยอายุน้อยกว่าเนกีวีกัไปกราบให้เยกราบเนเป็นอาจารย์ เป็นพระเทล่นะไปข่าวเนเป็นอาจารย์เนียนเจ็ดขวบน้อยกว่ากีวีไปก่าบเป็นอาจารย์แต่เนใ น, นพระพุทธเจ้ารัรบรองแล้วว่าเป็นพระอรหันเนนเจ็ดขวบเป็นพระอรหันเ น, นีนช่วยสอนหน่อยว่าทําไมพุทธเจ้าถึงเรียกพระไบลานเปล่าทํายังไงปฏิบัติยังไงจะจะปฏิบัติมั่งแหละจะปฏิบัติยังไงถึงจะพ้นทุกเ น, นียนก็โอ้ยไม่เอาไม่เอ า, เอ า, เอาพระเทล่มาหาไม่เอาเพราะเทล่าเนนแค่เจ็ดขวบไม่กล้าสอน ไม่ได้น like, oh debut, เนยพอเสร็จแล้วโอ้ยขออ้อนวอนรู้สึกกระติกาถ้าจําไม่ผิดกระติกาบเนยเลย้ําเลยให้เป็นอาจารย์เอเนยก็ลองดูแต่ว่าเนยเนี่ว่ามีทิฏฐิหมดหรือยังเนี่ยเลยบอกว่าเนยอยากได้อะไรเว้นแต่เดือนกระดาวจะเอาให้ทุกอย่างเลยจีก็เพอใจอยากได้ดอกบัวท ja ี่อยู่ในสระเนี่ยไปเอาให้หน่อยก็ลงไปลุยน้ําไปเอาอยากได้ดอกไกลก็เป็นอีกลุยอีกอยากได้ดอกเลยลุยไปจมจน้ําเลยจมน้ําก็ไปไปเอาขึ้นมาเออ เอาขึ้นมาเสร็จแล้วอเอาหมดไม่มีที่ตีแล้วเนยงก็เลยสอนเนย์เจ็ดขั้วนะสอนหนกว่าให้ให้ปริศนาทำว่าอะไรเอ่ยจอมปวกมีจอมปวกจอมปวกหนึ่งยาวาหนาคืบกว้างศอกจอมปวกเนี่ยยาวาหนาคืบกว้างศอกมีรูอยู่หกรูจอมปวกเนี่ยจอมปวกยาวาหนาคืบกว้างศอกมีรูอยู่หกรู รู้ไหมเจ้าปวดนี่อะไรเ อ, อ, อหมอรู้ไหมเจ้าปวกยาววานาคือกว้างศอกมีรู้โยกรูเจ้าปวกนี่คืออะไรคนอะก็คือตัวเรานี่แน่เออตัวเรานี่แนะมีรู้โยกรูในเจ้าปวกเนี่มีตัวเหี้ยอยู่ <c oughs> <c oughs> มีตัวเหี้ยตัวเหี้ยกิเลสเนี่ยมีตัวเหี้ยอยู่เราจะไหจะฆ่าตัวเหี้ยนี่ยได้ให้ตายได้หรอล่า อ้าวเขาบอกว่าต <my> <here> so <h> ัวเหี้ยมันออกรูไหนก็ซัดไปตัวนั้นเลยคอยทุบันตัวนั้นเลยทุบรูนั้นน่ะอ้าวก็มีรูรอบมันมีรูอยู่หรูเนี่ยพอจะทุบมันก็หนีออกรูนู้นอ้าวไปจากรูนู้นพอจะทุบมันมันก็หนีออกรูนี้อืมเลยจับตัวเหี้ยไว้ได้ทันทีพราะมันหนีออกรูนู้นรูนี้อะแล้วก็บอกว่าเอ้มันออกรูไหนก็ซัดรูนั่นแหละจะมีเต่าหกรูจะไปสู้อะไรโดยเฉพาะประตูรูรูใจรูใจมันออกผู้ป้อบป้อผู้ป้เร็วมากเลย ใดหน้าานเจ็ดขวบก็เลยให้อุบายบอกว่าก็ปิดเป็นต่ห้ารูเนี่ยเหมือนที่มาเมื่อกี้นี่ไงว่าแบบปิดห้ารูคือเหมือนตาบอดเหมือนหูหนวกเหมือนจะบุกไม่ได้กินเหมือนลิ้นไม่รู้รสเหมือนกายไม่รู้สัมผัสแต่ไม่ใช่ไปปิดห้ารูไม่ใช่ว่าทํำลายประสาทไ ม, ไม่ใช่ว่าทำลายประสาทถ้าไปตาบอดหูหนวกนะคือให้สํารวมสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายสักห้าประตูเนี่ยสํารวมไปซะสํารวมอินทรีย์ที่ท่านเรียกว่าสํารวมอินทรีย์คือปิดไว้ตาห้ารู ปิดก็คือสํารวมินสี่ไว้สํารวมิห้ารูเปิดรูเดียวคือรูใจใก็คือนี่ไงที่มาของสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจสติตั้งที่ใจนี่ไ ง, ไงเปิดประตูใจไว้เปิดไปรูหนึ่งแล้วตัวเนี้ยปล่อยให้ตัวเหี้ยมันออกมาตากินตามควาเป็นจริงแล้วค่อยรู้ตัวท่านมันแล้วท้ายก็ไม่พยายามไปกดมันไว้คือไปอุดรูไม่ให้มันออกเอไปดับมันไม่ให้ออก แล้วก็ไม่หลงไม่กลับมันไม่หลงไม่กลับมันแล้วไม่พยายามไปอุดมันว่าไปฆ่ามันไว้คือไปอุดไม่ให้มันออกเลยไม่ไม่มันมันคิดได้เอไม่พยายามไปอุดได้มันคิดได้แล้วเราก็ไม่หลงไปกลับมันไม่หลงไปกลับมันคือไม่หลงเผลอผายขาดสติปล่อยมันออกไปหากินเป็นบ้านแต่คอยสังเกตไว้รู้มันไว้แล้วไม่หลงสติไม่ขาดไม่จ้าแล้วก็สามารถจับตัวเฮียได้เนี่ยโพธิลาก็ฝัดูตรงเนี้ยสติตั้งที่ใจ ต่อทีตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจมันคิดมันจะยิ้กอะไรกระจทุกอันเป็นสังขารทั้งหมดที่เราบอกนี่ไงเป็นสังขารสังขานทังนั้นมีแต่สังขารทางนั้นที่เกิดขึ้นสังขารทางนั้นที่ดับไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่สังขารอย่างเดียวละหมดปล่อยวางหมดละหมดปล่อยวางหมดไม่ยึดมาถือมาเลยทุกอย่างเดียวละหมดเห็นเป็นสังขารทางนั้นสังขานทางนั้นสังขารทางนั้นปล่อยวางสังขารหมดที่ประตูใจบรุษอรันเลยพระโพธิละบรุษอรันเลย Thank you.